ทีนี้ปกติแล้วทําไมจึงแสดงสัมมาวาจาต่อมาอย้อนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคนเป็นมิจฉาสังกับปะอกุศลวิตตกมากๆนะวาจามันจะเป็นมิจฉาวาจาถ้าคนกา ม, มาวิตตกมากๆถ้าต้องการวัตถุกรรมนะถ้าจะได้พระมุสาวาตก็ยอมถ้าจะได้พระปิสุนาวาจาก็ยอมถ้าจะได้พระคําหยาบก็ยอมถ้าจะพูดเพ้อเจ้อแล้วเอาเนี่ยนะ เรียบเคียงเป็นต้นก็ยอมเพราะอากุศลวิตกมันเกิดทีนี้ถ้าพยาบาทวิตกมันเกิดนะจะพูดมุสาให้เขาเสียหายก็เอาจะพูดซอเสียดก็เอาเอาหมดอะถ้าอากุศลวิตกมันเกิดเพราะวิต ก, กะเป็นวจีสังขารวิตกนะเป็นวจีสังขารเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงสัมมาวาจาต่อมาอนะว่าเอาผลผลมาวัดเลยนะว่าใครมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะดีเ้าต้องมีสัมมาวาจา วาจาเขาต้องดีข้อแรกนะคําพูดของเขาต้องหนึ่งไม่เท็จไม่ใช่เขาไม่พูดแต่เขาไม่พูดเท็จข้อสองไม่ไม่พูดส่อเสียดส่อเสียดก็คือพูดให้เขาร้าวกันไม่พูดให้เขาแตกความสามัคคีกันถ้าพูดต้องไม่คําต้องไม่หยาบเนีย่ยนะคำพูดก็ไม่ใช่ว่า โ, โหพูด พวกกับใครเนี่ยโหคนหูคนอื่นเนี่ยก็ต้องหาอะไรมาปิดติดไว้หน่อยนะเคยได้ยินนะคำว่าก้านบัวแย่เข้าไปในหูเนี่ยนะการบัวมันตะปุ่มตะปำใช่ไหมเป็นน้าตะปุ่มตะปำน ะ, ะ, ะแย่เข้าไปในหูเนี่ยโหมันก็บอกคำพูดต้องไม่เป็นอย่างนั้นนั่นะนะแล้วไม่เพิรเจอร์คำพูดที่ไม่เท็จไม่ส่อเสียดเนี่ยนะ ไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อเอามาพูดอะไรแต่จุดประสงค์ก็ต้องพูดตามเนี่ยพูดตามหลักอภิชากับพูดโดยที่ไม่เป็นอภิชากับพูดที่ไม่ให้เป็นโทมนัตในวัตถุทั้งหลายอ่านะพูดยังไงก็พูดด้วยเมตตาถ้าพูดถ้าปรับทั่วๆไปก็พูดด้วยเมตตาหรือด้วยกรุณาหรือไม่ก็พูดแล้วพูดเพื่อไม่เอานะ ไม่ใช่พูดเพื่อจะจ ะ, จะเรียกว่าไม่ใช่เพื่อกอบโกยแต่ก็ไม่ใช่เพื่อทำลายแต่พูดให้ได้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคำพูดทั่วไปเนี่ยเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านท่านก็คือไม่ใช่ตนนะนะพูดยังไงได้ประโยชน์ตนหนึ่งพูดในขณะนั้นตัวเองต้องไม่เสียศีลถ้าพูดเสียศี น, นี่ทำลายประโยชน์ตนก่อนใช่สองถ้าพูดแล้ว ตัวเองก็ตําหนิตัวเองในภายหลังอันนี้ก็เสียประโยชน์ตนพูดแล้วคนอื่นมาตําหนิเราในภายหลังเพราะเราใช้คําพลาดนะอันนี้ก็ถือว่าทําลายประโยชน์ตนถ้าทําลายประโยชน์ตนก็ประโยชน์คนอื่นด้วยเนี่ยนะในตัวนเนี่ยนะก็เท่ากับทําลายประโยชน์ผู้อื่นด้วยแล้วก็ทําลายประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็สําคัญคือเหตุแห่งอบายด้วยเพราะฉะนั้นใช้วาจาอย่างไงอะเอาไปพูดอะไรเข้า เพราะฉะนั้นผู้ที่จะพูดนะนี่เนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะต้องดีมากหลายแห่งใช้คําว่าพูดด้วยปัญญาเนี่ยนะพูดด้วยปัญญาเนี่ยนะคือมีปัญญามากมีความเข้าใจในในสิ่งที่มีประโยชน์สูงมากและจึงจะเอามาพูดได้แล้วมีสาระเพราะอะไเพราะบางท่านเนี่ยพอขึ้นต้นด้วยพูดปั๊บเนี่ยมันมันทุจริตทันทีเลยนะแสดงว่าโอ้โหคิดทุจริต ม, มามากแล้วนะจึงพอพุ่งมาหนึ่งคำทุจริตทันทีเลยอะ่ะแล้วบางคนเนี่ย สังเกตดูพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำแสดงว่าในใจนี่คิดด่าคนอื่นไม่รู้กี่พันตลบเลยใช่ไหมกว่าจะหลุดออกมาแล้วพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำเนี่ยแสดงว่าหนักมากทีนี้ปกติแล้วคนจะทําอะไรโดยมากจะทําตามคําพูดใช่ไหมกรรมมันตะเนี่ยทอย่างที่พูดถ้าคนมีสัมมาวาจาพูดกายของเขาก็จะเป็นไปตามวาจาอนั้น นะแล้วก็คำพูดทั่วๆไปบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นพอาชีพเนี่ยไม่พ้นกายกับวาจามีใครประกอบอาชีพพ้นกายวาจาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นกายวาจานั่นแหละคืออาชีพของเขาเนี่ยนะเพราะใครพูดสิ่งนั้นนั้นมากโดยมากก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอาชีพใช่ไหมเรียกว่าเป็นอาชีพ ทีนี้ทางกายเงื่อนไขต้องเช่นไม่ปานาติบาตเป็นต้นถ้าทางอาชีพก็ไม่เป็นอาชีพที่ทุจริตทั้งทางกายและทางวาจาเนี่ยนะก็ไปหาทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ไม่ผิดกายวาจาแล้วไม่ตายได้อ่ะอนนันเก่งมากเนี่ยนะทไงกันนี้ก็ก็สัมมาอาชีพทั้งหลายเป็นต้นนะเรียกว่าใช้วจีกรรมและคําพูดที่ไม่เสียศีลได้อ่ะนะแล้วมีชีวิตอยู่ได้อ่ะคนนั้นแหละมีสัมมาอาชีพ ทีนี้ต่อไปนะคนที่องค์ประกอบอย่างนี้ดีแล้วถามว่าอยู่ด้วยความเกียดคร้านไหมไ ม, ไม่ไม่ใช่อยู่ด้วยความเกียดคร้านนะอยู่ด้วยความเพียรวายามะนี่อยู่ด้วยความเพียรจึงจะมีอานิสงส์มากอันนัะ้ตัวทิฏฐิเนี่ยเท่ากับตัวปัญญานะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะนี่ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเท่ากับศีลเนี่ยนะ คนที่ศีลดีปัญญาดีถ้าขาดความเพียรหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจึงเพียรละกับเพียรเจริญเพียรละบาปเพียรเจริญบุญเนี่ยนะคือคืองานของเขาเนี่ยภารกิจของเา้าเพียรละบาปเพียรเจริญบุญแล้วก็ใครควรวญแต่ว่าถ้าไม่ละบาปอะไรจะเกิดอันนี้นิปัญญานะสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้เป็นอย่างดีเลยว่าถ้าไม่ละบาปอะไรเกิดถ้าไม่เจริญบุญ อะไรเกิดขึ้นทั้งก็มากไปด้วยความเพียรทีนี้เพียรที่ว่าเนี่ยเพียรทําอะไรเพียรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะเพียรพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะถ้าย้อนไปให้ดีๆก็คือเพียรเนี่ยกําหนดรู้ทุกใช่ไหมเพียรทําปริญญาในทุกขเพียร เพียรเจริญสติเพื่อรอบรู้ในทุก์จะได้ละสมุทยัยอันนั้คือคนภาคเพียรแล้วก็เพียรเพื่อที่จะให้กุศลธรรมเนี่ยเจริญยิ่งย่งขึ้นไปทีนี้การวัดผลตัววัดผลสมาธินี่เป็นตัววัดผลว่าดีจริงหรือไม่เนี่ยนะเพราะว่าองค์มครรคที่เหลือนะถ้าสมาธิเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามระดับคือคณิกะ อุปจาระกับอัปปนาถ้าเป็นคณิกะก็เป็นอะไรสมาธิถ้าเป็นไปกับคณิกะถ้าโดยพื้นฐานทั่วๆไปขณะเจริญวิปัสสนาก็เป็นสมาธิแบบคณิกะถ้าเจริญสมถะก็สมาธิเป็นอุปจาระและอัปปนาถ้าสมาธิที่ยังมีนิมิตทั่วๆไปเป็นอารมณ์ก็ยังเป็นโลกยะอยู่ เพราะฉะนั้นก็เอาให้พร้อมเนี่ยนะให้องค์ทั้ง8ประชุมพร้อมแล้วมีนิโรธสัจจะเป็นอารมณ์น่นะก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือธรรมะที่ควรเจริญนะจำไ้นะหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะวาจาระมันตาอาชีววายามะสติสมาธิเนี่ยองมรมัก8เป็นธรรมะที่ควรเจริญอุปจาระอัปปนา คณิกะโดยมากก็วิปัสสนานีนขณะที่เจริญวิปัสสนาเป็นคณิกะแต่คณิกะเนี่เราอย่าไปเอาแบบโอ้โหคนฟุ้งซ่านนะเพราะสมคณิกะไม่ใช่คณิกะแบบคนทั่วๆไปมาวัดอ่ะนะคนฟุ้งซ่านคนเครียดคนนอนไม่หลับพวกนี้คณิกะทั้งนั้นแหละแต่คณิกะแบบนั้นไม่ไม่ใช่ประสงค์ในที่นี้คณิกะที่มาจากศีลดีคณิกะที่มาจากศีนกับที่ถี่ดีเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าขึ้นต้นเนี่ยนะ ม, มันจะมีว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นคณิกะสมาธิเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปอะไรสักอย่างมัน เ, เขาจะขึ้นต้นด้วยคณิกะสมาธินะมักอีกเจดข้อข้างบนไม่สนใจเลยไม่รับรู้อะไรสักอย่างเนี่ยคณิกะก็เจริญได้แล้วโดยที่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ก็น่าเห็นใจเป็นอย่างมากทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าทําไมสมาธิอันเนี้ย มาเรียงไว้เป็นข้อมักข้อที่สุดท้ายนะเพราะฉะนั้นมักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดนี้สำคัญถามว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของอะไรอ่านะก็ว่าให้ตรงเลยนะมักเนี่ยมันต้องมักเนี่วนกันนะถ้าถ้าว่าให้ตรงนะถ้าคนที่ก่อเจดีนี่จะเห็นชัดเลยนะเจดี JD นี่จะเริ่มก่ออิดมาเรียงเรียงนะว่าก่อฐานเจดี เนี่ยมันมันจะก่อก่อแล้วก็สูงสูงสูงๆูสูงสขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มซ้อนกลับมาหาที่เดิมแล้วก่อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะแล้วก็พอเจริญพอไปถึงสมาธิแล้วนะบางคนนี่เข้าใจผิดเลยใช่ไหมพอไปได้ถึงสมาธิแล้วก็นั่งเฉยๆจบกันเนี่ยฉันเจริญมาทุกอย่างแล้วมาถึงมรรคแล้วไงพอมาได้สมาธิฉันก็นั่งนิ่งๆไม่ใช่เพราะถ้าสมาธิที่ถูกนี่ต้องเป็นเหตุใกล้ของปัญญาปัญญารู้อะไร อันนัถ้าเป็นสมาธิสูตรใช่ไหมปัญญารู้วันนี้ทุกนี้ความเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่ายกเฉพาะอุปาทานขันหานี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทนานี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความดับไปแห่งสัญญานี้สังขารนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้ความ ดับไปแห่งสังขารนี้วิญญาณนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เป็นเหตุใกล้ของปัญญานี่ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วอุปการะแก่กันและกันการอ บ, บรมเหล่านี้เนี่ยนะอ บ, บรมกลับไปกลับมากลับมากลับไปส่งเสริมซึ่งกันและกันในบรรดาธรรมะทั้งหมดอริยมรรคคือสังขารธรรมที่ปรุงยากที่สุด ที่ประเสริฐที่สุดบอกว่าในบรรดาในบรรดาสิ่งที่ถูกปรุงแต่งทั้งหลายที่เรียกว่าสังคตาธรรมอริยมรรคประเสริฐที่สุดเนี่ยนะอริยมรรคประเสริฐที่สุดซึ่งถือว่าเป็นโลกุตระซับทีนี้ถ้าประชุมประกอบมรรคประกอบบริบูรณ์แลเนี่ยนะถ้ามรรคทั้งแปดรวมกันเมื่อไหร่เรียกว่าโสดาปฏิมรรคหรือสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคทีนี้คนที่ได้มรรคเนี่ย อันนี้เป็นเครื่องวักผลต้องละกิเลสได้เนี่ยนะกิเลสละได้แล้วรู้ด้วยว่าฉันถ้าเช่นโซดาปฏิมากนะรู้ว่าอบายสิ้นแล้วพยากรตัวเองได้ด ว, ว่าอบายสิ้นแล้วถามว่าทำไมเขาเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องมั่นใจว่าเขาพยากรอย่างนั้นน่ะเพราะหนึ่งเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีนะอย่างที่เรียกว่ารู้คุณนะบอกว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ ทำมัคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะมัคอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำมัคอันนี้ที่ยังไม่มีให้มีขึ้นแล้วพระองค์เนี่ยสอนมัคอันนี้มาเราในฐานะสาวกเดินตามเจริญตามมัคอันนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเพระพเาะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยท่านเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก่อนไหมอันดับแรกมีศรัทธาไม่หวั่นวายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ดีจริงเอามามาแนะนําแล้วมัคอันนี้เป็นนิยานิกระทำนาออกจากทุกจริง สวักขาโตจริงๆแล้วในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติดีทั้งหลายเขารู้ว่าเขาก็หนึ่งในจํานวนผู้ปฏิบัติดีถามว่าทําไมเพราะต่อไปนี่ให้เขาสมมุติว่าถ้าเป็นคาราวาสเนี่ยให้เขาผิดศีลห้าเขาทำไม่ได้อีกแล้วอันนี้ถือว่าดีไหมใครที่ไม่ผิดศีลห้าเลยนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาผิดศีลไม่ได้อีกแล้วถามว่าอันนั้นก็ดีอย่างหนึ่งทางกายวาจาของเขาทีนี้ถ้าปฏิบัติชั้นสูงเนี่ยดีแมก้กระทั่งทางความคิดด้วย ความคิดก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดีจิตก็ดีแล้วการปฏิบัติของเขาไม่ได้เพื่อต้องการวัตตะใช่ไหมต้องการออกจากวัตตะเพราะฉะนั้นกายวาจาใจาของเขาดีหมดเลยผู้ที่กายวาจาใจาดีเขาเรียกว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลกายวาจาดีสมบูรณ์ด้วยศีลจิตดีสมบูรณ์ด้วยสมาธิถ้าทั้งกายวาจาใจดีเนี่ยสมบูรณ์ด้วยทั้งปัญญาทั้งพระอริยาสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติญาณทัศนะเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยหฮริและโตตาปะมีสธานมีวิริยะมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยนะคุณธรรมทั้งหลายเขาบริบูรณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมอันนี้ว่านําออกจากทุกเพราะเขาออกจากทุกได้เพราะธรรมะอันนั้นแล้วก็เห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์อันนะ ทีนี้ข้อต่อไปนะศีลเขาก็ล่วงละเมิดไม่ได้อีกแล้วอันนั้นก็อันนั้นแหละเป็นเครื่องมั่นใจเขาว่าเขานี้ปิดอบายแล้วเนี่ยนะทีนี้ถ้าข้อต่อไปเอกเขาก็จเจริญคุณธรรมเพื่อคุณธรรมชั้นสูงชั้นสูงไปโดยโดยลําดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นย้อนมาที่สูตรนี้ก็บอกว่ามักมีองค์8เนี่ยเป็นภาเวตประธรรมเพราะเป็นธรรมที่ควรเจริญเ น, นี่ยนะแท้คำว่าควรเจริญเลยนะ คือถ้ายกสติประธานมาเนี่ยนะขอแยกอีกครั้งหนึ่งนะว่าสัมมาทิฏฐิอริยศาสตร์สสัมมาสังกปะกุศลสังกปะสามสัมมาวาจาก็คือสัมมาวาจาสี่อย่างสัมมากรรมตะสามสัมมาอาชีวานี่มีเรียกว่า8ดก็ได้ศีลเมีาชีพเป็นที่แปดสัมมาวายามะก็สัมมาประธานสสติก็สติประธานสสมาธิก็ฌานสี่ ถ้าถ้าว่าเป็นอันๆเนี่ยนะดูไม่สู้จะยากนักไอ้สำคัญว่ามันต้องประกอบกันเนี่ยสิสำนวนว่าเอาคนเก่งมารวมกันทั้งแปดคนเนี่ยนะมันจะยากขนาดไหนเนี่ยนะนะเป็นธรรมะแคือถ้าหมวดสองก็สติสัมปชัญญะถ้าหมวดแดก็อย่างที่ทก็อยู่อยู่ ธรรมะคนละกลุ่มครับถ้าถ้าถามมาต่างกันก็อยู่เพราะตรงนั้นเป็นประหุประการธรรมตรงนี้เป็นพาเวตะประธรรมคนละกลุ่มกันซึ่งสติสัมปชัญญะตรงนั้นนี่ก็อมทั้งบริหาริยะกะกรรมฐานอมหลายๆเรื่องแต่อย่างที่กล่าวนี่นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยให้รู้ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะแต่ ท, ที่ที่มาที่บายตรงนี้คือที่บายเชื่อมกันทั้งโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าใช้คําว่าอริยมรตมีองแปดนะ ให้รู้เธอว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยนะเอาสมมติถ้าขอโทษนะถ้าเห็นคนแก่เดินผงกผงกมาเนี่ยเออนี่คนแก่เนี่ยอย่างงี้คือเรียกว่าเห็นจริงแล้วใช่มั้ยเห็นจริงแต่ต้องลึกไปก่อนนะลึกยังไงลึกยังไงแล้วก็อ๋อเราก็จะเป็นอย่า ง, ง, า น, างนั้นนอ๋อ เพราะฉะนั้นฝรั่งสีแพทย์ที่ถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยนะรู้ถึงกระดูกด้วยนั่นก็อันนั้นใช่ไหมอมองมองเห็นกระดูกเลยว่ากระดูกตรงไหนมันถูกแล้วตรงไหนมีเนื้องอกขึ้นบ้างสันหลังตรงไหนมันไม่ดีนี่เห็นหมดเลยอันนั้นใช่ไหมสัมมาทิถฐิ น, น, น, น, น, นั่นแหละก็จึงบอกเมื่อกี้ไงว่า อยากจะออกแต่ไม่ใช่ไปโกรธไม่ใช่ไปเบียดเบียนเอาดีเนี่ยนะนี่คือมัชชิมาปฏิปทาในผู้ศาสนานะถ้าแต่ว่าไปให้ตรงๆจริงก็ทําตามยาวเหมือนกันนะเนี่ยนะยยใช่คือไม่อยากอยู่ร่วมแต่ก็ไม่ได้ไปแช่งชักหักกระดูกอย่างคําว่าไปเห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนะตามไม่ใช่ไปแช่งนะแต่เห็นความจริงไม่ใช่ว่าเออขันทั้งหลายไม่เที่ยงนะได้ข่าวว่าใครตายเออดีตายจะได้ก็ดีไม่ใช่อย่างนั้น เนี่ยนะคือเออความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดแช่ง น, นะเดี๋ยวไปมีโทรษะเออตายเสด็จก็ดีมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอีกนะ